การทำต่อต่อยอดได้ยินได้ฟังเอาไว้ได้เอาไปทำตามที่เราได้ยินเป็นส่วนประกอบกับการกระทำการงานของเราเรามาปฏิบัติทม ต้องไปเบื้องต้นท่อกลางและที่สุดเบื้องต้นคือมีสติไปในกายมีสติไปในจิตใจสิ่งอันใดที่เกิดขึ้นในกายในใจให้มีสติเชือก่อนเมื่อมีสติ สิงที่เกิดขึ้นกับกวากับใจจะ ก, ก็จะถูกต้องได้ประโยชน์อย่าเพ่งแปลเหตุผลเหตุผลต้องเกิดจากการมีสติแยกแยะไม่ใช่ความคิดไปแยกแยะหาคําตอบจากความคิดเหตุผลจากความคิดปฏิบัติธรรมมีหลักที่เกิดที่ตั้ง เหมืนเกิดจากสติเหมือนกับขบเคี้ยวตำมัพิจยิยาเหมือนเราเคี้ยวอาหารเราก็เกินลงไปได้ถึงโดยที่ผ่านสัจจสติสตเป็นความถูกต้องความร้ายก็เป็นความดีความผิดเป็นความถูกความทุกข์กเป็นความไม่ทุกข์ เราจึมีสติไปในกายก่อนอันสุขอันทุกข์อันผิดอันถูกเราจะรู้เองถ้ามีสติในเบื้องต้นเช่นพระพุทธเจ้าที่บวชขึ้นมาก็เพราะมีมสติ ในวันเพ็ญเดือนหกกู้เขินเข้าเยียดเขนออกมีความรู้สึกมีความลึกได้อยังไม่มีใครสอนแต่มันใช่ได้จริงๆเขียนปี่กู้เข้าเกียดออกมันเป็นกายเป็นรูปมีกันทุกคน เอามาต่อเอามาฝึกให้มันเกิดความรู้ไปในกายให้สติมีในกายให้กายมีสติให้มันต่อให้มันติดกันเวลามีสติไปในกายคู่แขนเข้าเหยียบแขนออกมันก็จะเห็นอันอื่นที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติ เป็ความคิดคิดถึงเพีมพ า, ค, าคิดถึงลาหุ่นคิดถึงลารัพศิลป์สดึงคานคิดถึงประชาสามฤดูก็ดจาความคิดก็ลอยกลับมามีสติวในกายนี้ไม่ได้มาคิดถึงลูกถึงแม่ถึงทศพย์ย ส, สินปสดึงคานถึงศประชาสามฤดูนั่นเป็นความคิด สัมผัสไม่ได้ที่โน้นสัมผัสได้คือนี่รูอ้อยู่นี่นี้สติอยู่นี่กลับมาเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมาเป็นความรู้สึกตัวแล้วก็มีความรู้สึกตัวแม้บอรลัยที่เกิดขึ้นต่างๆกับใจ กลับมารู้สึกตัวกับเป็นความรู้สึกตัวไปฝึกตนฉนตนอย่างนี้หรือว่าเบื้องตนก็มีสติดีแล้วมากแล้วมันก็เป็นธรรมชาติความหลงก็น้อยลงความรู้ก็เพิ่มขึ้นความรู้เพิ่มขึ้นความหลงน้อยลงก็กายมี เสียขึ้นมาในท่ามกลางก็มีศสีลขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาในที่สุดก็มีปัญญาเห็นทิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแต่ก่อนหลงเป็นหลงสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธโลภเป็นโลภต่อมีสติเข้าเป็นตัวเฉลยเป็นตัวพิพากษาคาวามเป็นธรรมต่อกับชีวิต เลือกได้ปฏิบัิธรรมมันด้ดีมันเลือกได้สมใจนึกมีวาชนาบารามีดีขึ้นดีขึ้นมั่นใจขึ้นหมเอเถอะอะไรจะเกิดขึ้นกับปากรับใจเราจะมีสตินี้รู้จักตัวนี่โดยเฉพาะรูปแบบกรรมฐานช่วยได้ สมบัญยศบพะตามแนวหลวงพ่อเทียนสอนในปัจจุบันนี้เกือบจะล้อยปีซึ่งมีมาก่อนร้อยปีแล้วอีกแต่มันเป็นเด่นชัดที่จุดคือในยุคหลวงพ่อเทียนที่มาสอนนี่สัมผัสดได้พิสูจน์ได้ ส4ีจ่จังหวะเอาจังหวะห่างกันไม่เกินวินาทีวิหนาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งสิบสี่จังหวะได้สิบสี่รู้มันทำได้อย่างนี้รู้ได้จริงจริไม่ต้องมีคำถามไม่ต้องถามใครเป็นปัจจจตังของผู้ปฏิบัติเองอย่าไปเชื่อใคร กูเฉืนเข้าเกี่ยเฉินออกมิสติไหมการมีสติมันเป็นอย่างไรเราก็รู้เราไม่ใช่ได้ไหมเวลาที่ไม่ใช่สติเอาสติไปเฉลยได้ไหมทำดูสิเสร่าก็จะทวนกระแสสักหน่อยเกิดไหลขึ้นแชรกแสงว่วงๆห่โหอน ควต้งเลี้องสอยความคิด่งสานเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติเราก็สู้กับมึงเอากรรมาฐานเป็นสิ่งที่ช่วยนิมิตที่ต้องไปในกายสู้แขงเขา้าเหยียบแขนดอกสร้างเป็นจังหวะมันก็ช่วยได้ไค้ายก็มีหลักเหมือนกันเราไตาสะพานเวลามันเซไปก็จับเหล่าสะพาน ไม่ตกมันหลงไม่กลับมาเขาะมือว่าง่วงนอนกลับมารู้จักตัวยืดเอวขึ้นเบยด้า อ, อกต้องโคต้องหัวใหม่ตกแดงท่าทางให้อยู่ในเฉยภาพเรียบร้บอยไม่งอเงียใหม่สับสนไหม่สอบมองไม่เซียกซึ่งจะตใจทำห้ตื่นเปิดวความงามอันหนึ่งของคีวิต มาฝึกตนสนตนอย่างนี้ก็มีเบื้องต้นก็มีทำกลางไปมีศี้นได้ใช่ศิ้นหมาช่วยแล้วไปถ้าไปฝึกไปมันระเบียบเรียบร้อยขึ้นมากายก็มีระเบียบใจก็มีระเบียบเรียบร้อยคู่จอปลาใส่มีระเบียบมีสติทีกว่าเกา่าอยู่แล้วเตืองได้เป็นเจ้าของ สติเป็นเจ้าของกายสติเป็นเจ้าของใจเราหมดฮะเาจะมาเกิดอันนี้สงขึ้นมามีผลขึ้นมาตัวใครตัวมันช่วยกันไม่ได้ตกลงสอนตอนอย่างนี้จนเห็นแก้งในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ เห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นรูปมันทำดีเห็นรูปมันทำชั่วไม่หนีสายตาคนสติสติเป็นป้อมปาการปฏิปธา น, ปานเป็นป้อมปราการมาทางไหนก็เห็นหมดเห็นความคิ ด, คดแต่ก่อนไม่เคยเห็นความคิดหยุดความคิดได้ดกำในกำมือตอนหยุดไม่เป็นไหน มันคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วคิดอี ก, อกไม่อยากคิดมันก็คิดบบบ น, นี้มันเรารู้จักในหลักฐานเราง่ายนิดเตียวรู้จักตัวจริสิ่งที่หนักเป็นเูสิ่งที่ยากเป็นง่ายสิ่งที่แทกซึมเป็นความยิ่มแยมแย่ใส่ต่อตีเนี่ยเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ทุกอย่างสิ่งที่ เ, เกิดขึ้นกวบกับใจนี นะมันมีอย่างนี้จริงๆชีวิตเราดีขึ้นจริงๆนะแต่ก่อนมั น, มนเป็นทุกข์เป็นโทษกขยก็เป็นทุกข์เป็นโทษใจก็เป็นทุกข์เป็นโทษกขยเบียดเบียนใจใจเบียดเบียนกายไม่เป็นธรรต่อกันเลยไม่มีความเป็นกลางไม่มีธรรมไม่มีพิธธรรมมาพิบัญตดูแลกายใจ พมีสติมันเอามันกลายเป็นทมขึ้นมานะมีสติจึงที่เกิดก็กลายกับใจมันเป็นเดียวกันละวันดูจบเปลี่ยนร้อยเป็นดีได้มีผลขึ้นมาบ้างจึง มีช่องมีทางไปเกิดความเห็นอันชอบขึ้นป่าเมื่อมีความเห็นอันชอบมีสติย่อยออกให้เห็นแล้วก็ความน้อมริที่จะหนีไปชากความชั่วความดีมันเป็นชีวิตที่ว่าเปลี่ยนน้อยเป็นดีแล้ชั่วทำดีทำจิตบริสุทธิ์แล้วก็อยู่ในวงอยู่ในแบกผ่าตัดอะลร การละชั่วการทําดีทั้งจิตและบริสุทธิ์เป็นคำสอนของโคดเช่าทั้งหลายโอ้มันคืออันนี้เองมีสติก็ละความชั่วมีสติก็ทําความดีมีสติกิจก็บริสุทธิ์ภายในตัวสุดเลยโอ้อันนี้นะเนี่ยมันมีขอบม่กรรมขึ้นมาอย่างนี้นะเหมือนเรากินข้าว การเชี่ยวทีละคํำละคํามันก็ค่อยอิ่มขึ้นมานั่นอิ่มเพราะการเชี่ยวอาหารเพราะการคืนจะให้กินจะให้อิ่มคําแรกมันเป็นไปไม่ได้ไปเชี่ยวไปค่อยกืนไปกืนไปมันก็อิ่มก็เต็มขึ้นมานี่ว่าเต็มขึ้นมาจะเป็นจิตใจก็เต็มขึ้นมาดีกว่าเก่า ใจดีของกูรู้หลาก็ดีกยวของกูเห็นรูปมันทำชั่วเห็นรูปมันทำดีใช้รูปไปทําดีมันทําชั่วถ้าให้มันทําดีนามไปใจมันคิดชั่วทําไมมันชิดดีมาไล่เป็นดีได้ยอดใหม่ต่อยอดใหม่ได้ประโยชน์ ความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มาไม่ไดีความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ยอดใหม่เห็นทุกข์าังทไม่เกิดเป็นพุทธเจ้าได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกขนะ์นะยอดใหม่เห็นลูกทำนามทำเห็นลูกโลกนามโลกโลกของลกูกโลกของนาม ความโกรธความโลภความหลงความสุขความทุกข์ความลักควา ม, วามชังเป็นโลกของนามเป็นโลกของนามโอโลกแนี่ถ้ามันมีในนามมากๆ ก, ก็กระทบกระเทือนถึงลูกถ่วยบางทีโกรธทำไมนอนไม่หลั บ, ลบกินข้าวไม่ลงโลกของนามถึงกระทบกระเทือนโลกของลูกกัลูกกับลาบาก บทนี้ลูกจักรลูกทำนามทำลูกโลกนามโลกที่มาเกิดขึ้นกับลูกของนามมีสติมีสติเข้าไปนกว่โอสุเหลื่อหลงไปไม่หลงเป็นจาลเล่าเหยื่อทุกไปไม่ทุกเป็นโอสุดส ก, กัตตวพุทธตรังโอสัตถง พุทธคือภาวะที่มีสติรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานก็รูปทุกข์นามทุกมันเป็นทุกขโลภเน่าสงสารเน่าสงสารนามก็เป็นทุกข์มือมาสิ่งที่มาใช้เป็นธาตุนับใช้ เอาทุกอย่างนามผ่านมานทั้งนามหมดนามทุกลูกทุกทุกของลูกก็มีเป็นทุกสภาวะทุกหายใจอยู่เข้าหายใจออกก็เป็นทุกของลูกน่าสงสารถ้าไปหายใจก็ทุกทก็ตาย ต้องกินน้ำลายต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนต้องเคลื่อนต้องไหวต้องเพรบตาอะไรทุกอย่างทุกของลูกเห็นทุกของลูกก็ตื้อเรื่อที่ช่วยลูกเอชุบุรียุดชุบุรีเคยโกดเคยเศร้าหมองเคยวิตกกรรมหยุดได้สงสารลูกสงสารดาม น้ำตาชื้มเลยไม่เคยช่วยเหลือลูกไม่เคยช่วยเหลือน้ำเลยป่อยให้ลูกให้น้ำเป็นทุกข์จ้องอยู่บองทีทุกข้ามวันข้ามคืนโกรธข้ามวันข้ามคืนตามตามความทุกทำ ต, ตามความโกรธเชื้อเปียบความโกรธเชื้อเปรียบความทุกข์ปีนเข้ามไม่ได้นอมาหลับว่ามาเห็นเราโอ้ยกระตือเหลือล้นช่วยเหลือลูกเพื่อเหลือนาว มีสติเป็นเจ้าของมีสติปัญญาสเสมือนพ่อแม่อุปการละคุณคือสติสมชัญญะ เ, เหมือนพ่อเหมือนแม่อุปการละคุณอยู่กับชีวิตเราตลอดเวลาแต่เรื่องอย่างนี้พ่อแม่ก็สอนเราไม่ได้เราต้องสอนตัวเองพ่าแม่ให้รูปให้นา ม, มาเพื่อเป็นเครื่องมือที่เมื่อฝึกตนสอนตนทำได้อ่างไ มีพระธรรมการสอนยิ่งง่ายทุกคนเนี่ยไม่ได้นุ่นเดาไม่ได้สุงหาคัดเกณฑ์ไปเลยเอาผู้แขนเข้ารู้สึกรู้สึกตัวไหมเหยื่อแข่ออกรู้สึกตัวไหมโดยเฉพาะสิบสจังหวะเนี่ยพันเมียก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วสูตรมีอย่างนี้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าตัดสู้โดยทําอย่างนี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีอย่างนี้ได้ทําอย่างนี้แล้วก็เดินทางลอยไป เห็นนั่นเดียวกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเปิดตะเลยขึ้นมาขณังที่เรามีสติมันฉายออกมามันเป็นแถวมาพวกพวกเอาหอนมาที่ก็คิดมากเวลาปฏิบัติเวลาสติเห็นความคิดเหมือนน้อมที่มันนิ่งย่อมเห็นการอะไรที่มันไม่กระเพื่อมขึ้นมาไม่แต่ปลาซิวปลาอีตัวเล็ก ก็รู้จักถ้ามีสติเหมือนน้ำนิงน่งก็อมีสติต้องมันทำให้นิง่งทำให้สงบล้วก็มองเห็นตอบปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจได้สติสตเกยงพิสโจน์กันเถอะพวกเราขอให้ใช้สถานที่นี้นเป็ น, เ, ปนเวทีเป็นสนามฝึก อยู่กันแบบฝันพี่ฉันน้องที่อยู่อาศัยก็หล บ, ลบและตหลบผลห ล, ล, ลบว่าได้มีข้าวกินเพราอประเทืองชีวิตแล้วก็ดูแลกันไปพูดให้กันฟังบากกันเพื่อนกันเป็นมิตรกันแล้วก็ช่วยกันมาได้ไม่จะบอกเอาไ ป, าไปทหมอเอง ทำหลงก็เปลี่ยนหลงเอาเองดูเอาเองทำโกรธก็เปลี่ยนโกรธเอาเองไม่ต้องขอญาตใครเปลี่ยนโกรธได้ไหมเปลี่ยนทุกได้ไหมไม่ต้องขอเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองพรอทำนี่ปฏิบัติตนปฏิบัติตอาเองผู้ปฏิบัติ ต, ต้องศึกษาเองต้องทำเองปฏิบัติได้เองให้ผลได้เอง ตามทุกคนใจผู้ปฏิบัติหลงหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างหลงสองข้างรู้สองข้างหลงร0อยข้างผันหนุรู้มันร้อยข้างผันนนก็ได้ความรู้จากความหลงได้ความไม่ทุกข์จากความทุกข์ได้ความไม่โกรธจากความโกรธมันคนละอย่างมันถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงมมนถูกต้องเลือกได้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมทำปฏิบัติตามทำไปทำหน่่านี้นะมาใช้ชีวิตอย่างนี้ดูมันจะมีสูตรที่ทำให้เราได้ศึกษาได้บนเรียนจากกายจากใจมากมายเป็นตำราเล่มใหญ่กายใจของเหล่านี้สติปันักศึกษาดูไปอ่านไปเห็นไปมันจะแสดงออกมา จนในที่สุดเห็นความเปิดความแก่ความเจ็บความตายามัก้าวไปทางโน้นมันผ่านล้ออย่างจนเห็นหมดทุกอย่างเลยไม่ต้องเป็นอะไรงั้นเห็นมาแล้วความไม่เที่ยงที่เกิดกับรูปเห็นแล้วรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปไม่ใช่ตัวตน นามไม่เที่ยงนามเป็นทุกนามไม่ใช่ตัวตน <Okay. S 1> แต่ก่อนเคยเป็นทุกพระความไม่เที่ยงเป็นทุกประความทุ ก, ทกบัดนี้ตัวมีสติในความไม่เที่ยงมันไม่ใช่ทุกสิงแล้วมันเป็นปัญญาเป็นปัญญ า, ญญาอย่างงดงามที่สุด เหมือนถังขยะอะไรที่มันไม่เที่ยงเอาไปทิ้งในความไม่เที่ยงเหมือนถังขยะไปที่ทิ้งของปัญหาของทุกต้องปวงเต่ไมไปหมดเลยในโลกเลยร่างกายของเราก็มีแต่ความไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงมบหนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง โลกไม่ใช่ตัวตนเมตนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนโอ้ยที่ทิ้งของทุกท้องหลายจึ่งได้ไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นไม่ควรยึดว่าตัวเราของเราไม่ใช่เป็นทุกเป็นที่ทิ้งของขยะขยะในหัวใจเรี้ยงเก่าหมดเลยเหมือนกันหมด แต่ก่อนความเป็นทุกข์เป็นทุกข์ ắc. บท น, นี้ความเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์มันจะเป็นยางไรแล้วก็ถอนลอกถองโทล่หมดเชื่อเลยวิปัสนนญญสนาเกิดขึ้นจัญญาณทัศนะเกิดขึ้นเห็นแจ้งทุกทุกข์นามทุกข์นามสมมุตินามสมมุติมันหยัด เห็นปละมัติความเท็จความจริงความโกดไม่จริงความไม่โกดเมันจริงความทุกไม่จริงความไม่ทุกเหมันจริงรความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงนั่นอยู่ในใครอยู่ที่ไหนเลือกได้เรียกว่าวาชนาบาลมีเต็มโลกกันมา เป็นกลับเป็นกันขึ้นมามันเต็มอย่างนี้นะปฏิบัติอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศเลิศคื อ, อยังไงอย่างที่เราสวดพระสูตรธรรมประปาหังไว้แค่ไห น, นปฏิบัติอันเลิศก็ได้ผลเลิศมาหลงที่ใดรู้ที่นั่นเลิศแล้วโกรธที่ได้รู้ที่นั่นเลิศแล้วทุกที่ใดรู้ที่นั่นปฏิบัติเลิศ ถ้าหลงที่ใดหลงไปเลยโกรธก็โกรธไปเลยทุกข์ก็ทุกข์ไปเล ย, ย, ย, ป, เลยปฏิบัติันเร็วจะได้ผลอันเลิศเป็นไปไม่ได้เลยอยู่ที่การกระทำของเราทำปฏิบัติ ต, ตัวเองเป็นปัจจตังรูปปฏิบัติย่อมรู้ยิง่งเห็นจริยธรรมที่ควรรู้คนเห็นตามทุกวัตถุปฏิบัติเรียนแฉีย <c oughs> งเรียนเฉียง รู้เรื่องไหมฟังรู้ไว้รู้หรือหรออก็การพูดไม่ได้หรอกหรือรีบข้าหนังพวกเราได้งาอาัยคนอื่นมาได้แล้วถ้าไม่มีใครพูดกับฟังให้พูดให้ฟังก็สอนตัวเองพยายามดูออกีนจิตตีนน่ะเั็นครูของเราเปหนอกโพธินะ เกิดจากที่นี่เป็นกรรมฐม า, านเหมือนกับเราทำนาก็กินข้าวเราเรียกว่ากินข้าวทานข้าวคือสุดยอดเราทานข้าวก่อนที่ทานข้าวไม่มีอะไรแต่นะับตั้งต้นมันมากมากต้องมีที่ดินต้องซื้อรถแท็กอร์ ต้องซื้อเครื่องสบน้าต้องซื้อผันข้าวกวจะกินข้าวได้มันหลายอย่างต้องซื้อลงสีต้องซื้อยุ่งฉางต้องซื้อลดขนข้าวขึ้นยุขึ้นฉางต้องมีแรงงานกว่าจะช่วยกินข้าวเพราะว่ากินข้าวมันมาจากกรรมที่เราทํำม า, มากแล้วว่าอิ่มได้เลือดในเนื้อได้ชีวิต การรู้ธรรมนั้นก็ถึงคือมันผ่านทุกอย่างมันเห็นทุกอย่างแปดหมื่นสีพันเรื่องเกิดขึ้นกับกว่ากับจาจเห็นหมดว่าเห็นหมดเลยมัก็เลยไม่ต้องเป็นอะไรครับจึงที่มันเกิดขึ้นในความทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์อะไรไม่เป็นกับมันเลยจึงพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะมันผ่านมามันเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นเลยจึงไม่เป็นมันโกรธจึงไม่เป็นผู้โกรธมันทุกจึงไม่เป็นผู้ทุกข์มันหลงจึงไม่เป็นผู้หลงมันเกิดจึงไม่เป็นผู้เกิดมันแก่จึงไม่เป็นผู้แก่มันเจ็บจึงไม่เป็นผู้เจ็บที่สุดคือมันตายต้องไม่เป็นผู้ตายนี่ไม่คือไม่คือแม่นแม่นไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรที่เกิดขึ้นกากับใยเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะมันเห็นตั้งแต่ ผู้เขีนเข้าเหยียดเขนออกมีสติสามชัญญาดูสิเราเลื่ได้เปลี่ยนไล่เป็นดีเคยเปลี่ยนหลงไปไม่หลงมันจึงเป็นผู้ไม่หลงเฮ้ยเปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์มันจึงเป็นไม่ผู้ไม่ทุกข์จึงเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธจึงเปลี่ยนทุกข์จ้ะเปลี่ยนหมดไม่เป็นไรกับมันเลยนี่คือถ้าพูดออกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเราก็ได้ชีวิตอย่างนี้ ชีวิตอย่างนี้ไม่แก่ไม่เกไม่ตายอันกินข้าวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้เลือดได้หลังได้กําลังหลงชาได้ความแก่ความเจ็บความตายยังจะ็เก็บยันแกลาอยู่จินข้าวเพราะเราก็ทํามาชีวิตของเราไม่มีสองส่วนเรื่องรูปเรื่องนามกิจวิญญาณให้ความสำคัญบ้างจะปล่อยตัวเองเท่ง ไม่ใช่หรกเกิดมาจะเจ็บตายเฉยๆนะ<แ>เกิดมาวันนี้จะมาลองให้หัวร อ, อกกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คุ้มค่าชีวิตดอกชีวิตเราไม่มีค่ากว่านี้อีกมีค่ากว่านี้อีกพอไม่เที่ยงก็ลองให้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทำไมความไม่เที่ยงได้มรดกได้ผลนะ ในความทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทำไมในความทุกข์มันไม่ก็ไม่ทุกข์อยู่มันก็ทุกข์อยู่แล้วยังเป็นทุกข์กับมันทำไมในความไม่ทุกข์ก็ไม่อยู่ในความไม่เที่ยงก็ไปความไม่เที่ยงไปเสียใจร้องไห้ทำไมจะให้มันเที่ยงได้อย่างไงก็รู้แจ้งโอ้ยชื่นจ่อยเห็นแจ้งนี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทุกข์นี่คือความไม่ใช่ตัวตน อยู่ในชืวิตของเราในรูปในนามนี้ได้บทเรียนจริงๆ จ, ง จ, งจึงไม่เป็นอะไรกับอะไรที่เกิดขึ้นกับรูปกคนนามนี่จะให้พูดยังไงล่ะหลังเรากินข้าวกินข้าวาพูดกันอยู่ตลอดทีวิตถ้าไมา่กินข้าวมันก็ตายอันนี้เท่มถ้าเป็นอะไรกับมันมันก็ตายเคยเจ็เจ็บตายไปจึงไม่เป็นอะไรกับมันจึงไม่ จึงเหนือการเกิดจะเจ็บต่อนี่คือชีวิตใต้จากรูปจากนามพ่ อ, อยอดแต่ยอดมอยรู้ ว, ว่านี้พูดได้ไม่มากนะนะับวันจะเสื่อมเสืๆๆๆๆๆๆๆ่อมลงเสื่อมลงใจเย็นเนาะต่อไปอาจจะไม่มีเสียงคนให้ฟังนะ <c oughs> นะเอาละสมควรใช้เวลา